ใครต่า ง, งเพศไปแค่ส0สิบนาทีกเตี้ยนะทุาวันหนึ่งตอนสี่โมงเช้า ว, ว่างใครไปใครมาก็ไม่มีเห็นออถึงสี่โมงเช้ามีสข ม, มาก็หลบกลอนนอมาตัวมาตูเออที่อวกไปที่ออมาเน่นเ อ, อ๊ยฉันจะตมาราจยัเคยไปเลยว่ะก็ไปหาท้าทศรถท้าทศรถก็รถจรถิงๆสมัยเนี มีแต่าเกงไม่มีเสืออ้อโถถามามานิจาจานิจจ่าถามว่นี่เทวดาทำไมนั่งไม่มีเสื้อเทวาไม่ใส่ถามมันมันจําเป็นหรือถ้าคุยไปกน ม, ม, มาไปถือเรืองใหมาเยอะเรื่องใหม่เยอะบอโอ้ยเพิ่งกล่าวมาแล้วโฮ้ยเสียงเจียวเจียวเจียเจียวเคยเคยอยู่เชนนั้นมาก่อนโอ้ดาแล้วอ้อดีตเคยอยู่มาก่อนเคยเคยอยู่ท่านท่านท่านท่าน่เหนืออ๋อเคยใหญ่มาก่อนที่ต่อไปก็ชวนกันยกทัพเลยหาทัพยืนหกก็ไปกันหมด ถ้าถึงเท้าเรื่องของก็ช่วยไมหายท้าเรื่นงปักก็ไปกันหมดถ้าถึงถ้าไวสวัตรเท่านาี้ผูยักษ์มาไม่ต้องหแล้วเสียงไม่ฟังไม่ได้เลยเพิ่นเก่ามาแล้วเพิ่นเก่ามาแล้วถามถ้าเวชวัตรว่าเวลานี้เทวดามาหมดไหมผมเลยถ้าบุคมาเวดาไม่มาถ้าต่อไปก็พากไปหายโยมจต่ตัวราทั้งหมดยกทัพไปทั้งหมด เขาบอกวนี้จะไรกใครอะเนี่ยเพราะมากระเตมราเลยนะพอไปคุยอยู่พักก็ชวนท่านไปชั้นยามาเดาดึงก็ไปหมดพอถึงยามาก็ยอมดูชัยที่นั่นคนนะถ้าเอรกคนเป็นถ้ามาท่านเป็นท่านเป็นคนหน้าอยู่ที่นั่นอคุยกัเสร็จก็ชนท่านรูสิท่านยามาก็ไปหมดไปหมด พนนถึงแช่นตัวสิบเรีเยบร้อยแล้วคือท่านพิจาหาระปานมหาพระศิอ่านใชไหมครับครับเรียบร้อยแล้วแต่แช่ น, นี้ถ้าไม่ไปด้วย อ, อ่ยาเป็นผู้ใหญ่อ๋อก็ไปแช่นินมาระดีพอถึงแช่นินมาระดีแล้วต่อไปแช่นินนินทํานทมาลายใช่ไหมโอพอไปถึงปั๊ท่านท่ามาลายก็มาเยือนยึดขอบอเป็นรวปก็็แพงนะคาารับครัรู้กันหน้าวาดรงที่ม้วครับที่ม้วนรับเข้าบานผม บอดี่ดูอูหลังเป็นล้านนะบ้านดันใหญ่เท่าไหนดู้ไหครับเท่าสามารพ่อภูมิาาถูกนอาณาถาถาว่าที่เทวดากี่ล้านคนนี่จะเข้าบา้านันเต็มเลบยบ้านจะพอเลยถ้าบอกบ้านเทวดาดยืดไดอ้อ้อหเหมือนโลกโ ป, ป่นใะใช่ครับพอเข้าไปจริงนั่งอรับแขกไม่ถึงซึ่งห้อก ไปเป็นลาแต่ท่นถึงเพื่อนม่ทีมาไม่ใหญ่ึมม้นมาท่านลองเราถ้วคุยก<อ>ันไปคุยมาถามว่าเวลานี้ยังอยากเป็นพุทธเจ้าไหม่านบอกลาสูงแล้วอ๋อลาแล้วํามว่าก่อนจะลาแล้วทำไมเสียแป้งพุทธเจ้าอีกตอนนั้นเป็นโง่อย่พเลยอ๋ออเกว่าจะมีนคนสอนเวลานี้ไม่เอาไปอานนีกว่าถ้า<อ>ถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลาเวลาท่านพุทธบริสัทจา ท่าเทียวแกรให้ช่วยเดี๋ยว่ช่วยช่วยหรื่แลร์ช่วยนะโคเดียวกันเปสนทว่าเวลาหมดเวลานแล้วขยุติมันจะเเร่อนี้นะมีบางจิตไม่หนึ่งต้องบาดไม่ไปเรื่องไม่บื่ถึง่อุกรอบุกอกตอมีด้วยปรกาและจันทนะฮะถ้าพวงนี้ก็ต่ออ้าวทีนี้ก็เมื่อจบตอนนี้แล้วก็พุ้นต่อไม่ก่อนกนน้่อนอ่าไม่เป็นไรอ่ก่อนก่อนจะต่อก็บอกนิดนึงว่า คืนวันที่สิบแปดนะสิบแดสิงหาเนี่ยนะหลวงพ่อมาที่ซอยสายลมเมตตาจองเคราะห์ลูกหลานอย่างเงี้ยอย่างกลางคืนเนี้ยแล้วก็วันที่สิบสองจะเข้าวังเอามาคืนเดียวนะคืนที่สิบแดมาคุยกับหลวงพ่อได้แล้วส่วนเดือนหน้าหลวงพ่อก็มาเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนเป่ายันต์กรอบเพชรสาวที่ยี่ห้ามีรถไฟเช้าขับเย็นแอร์และไม่แอร์แล้วก็อะไรอย่าท่านที่สั่งจองภาพหลวงพ่อที่ยืนอยู่ข้างหลังยกตรงเนี่ยนะ ทีเคาน์เตอร์ก็มีจําหน่ายแล้วแผ่นละยี่สิบาทวงเล็บไม่มีกรอบต้องบอกคนนะเห็นมาตทวงกรอบอานี่พระหางหมาที่นะครับอนุภาพพอๆกับพระทำเท่าโอ้ยีแรกที่ก็ใส่กว่าพระเจ้าจะบอกฉ้นทํำคนเดียวโอ้ฉ้นทําเองก็ต้องเท่ากันครับไปข้าก็ห่อไว้องละร้อยถ่อถึงละร้อยองค์นะครับใช่ใครจะเอาไปเกินคนละร้อยองค์ไม่ได้แต่เวียนเทียนได้ โคดิแนะเสร็จเลยนะใครจะไปรู้วะเอาไปแล้วมาใหม่จะจันน่าได้ไหมมือยุกหยากหยุดอยากก็ส่วนผนราคาก็เหมือนเดิมเงี้ยแทงอองค์นี้จะคิดองค์ละพันจอดไหวเลยถ้กล่าวจะต้นมือก็ร้อยองค์พันสตังหาเหมือนเดิมเหมอะม่เหมือนก่อนองค์เด้มสิบบาทขาดแล้ว นี่ก็เรียกป่วยไม่จริงยังมีอารมณ์นะขนาดนี้คนที่ป่วยมีอารมณ์มากครับโอ้โหงั้นก็ขอให้ความป่วยยมเจริญนะบก็เป็นนั้นว่าเอวันวันเสาร์ที่เวันศุกร์ที่ยี่บสี่นะปลุกเสกประมาณหกโมงเย็นก็ปลุกเสกก็คงไม่เกินจมูกอ่ะเสร็จแล้วก็รับได้เลยใช่ไหมหลวงพ่อได้เลยใช่แล้วจากนั้นหลวงพ่อก็จะมามารับแผลที่ตาลที่สองไร่อ่าและใครต้องการก็ไปที่ท่าน แล้วก็ลงทลี่กระเป๋ายางกลอบใช่ของคันสาที่มากหรี้ว่าจะไปรับที่ถุงของไรก็ได้เพราตั้งมัมีทั้งสององแห่งเลยนะครับก็จับยกไปเลยโอ้ครับล้วก็สดวกทุกแม่อาจจะชอบแคบไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ารับก็มือฉันนะครับไดไงครับพ่อขอค่ารับพันค่าจ่ายคส่งพันบาทโอเคแค่จับแล้วก็ยื่นนี่แหละ่บาทนะใช่โอ้นี่สันโดครูบอกว่าครูเล็กนิดนึ่ครูใหญ่เอ ครับคก็เป็นอันว่าท่านที่ไม่ได้พระทำอมมหาราชทาข้าวก็ไม่ต้องเสียใจบัดนี้พระหางหมากมาแทนแล้วอนุภาพก็เหมือนกันพระมหาราชอาจจะมีปีใหม่เวลานี้ทำโถงได้ห้ากิโลกว่าแล้วอ๋อปีใหม่ก็ต้องไปปีนหน้าถูครับไม่ใช่ปีนหน้าปีใหม่จริงเนี่ยไม่ป่วยแท้ <laughs> แล้วครับพ่อเันนี้มันดีขึ้นเลย โอ้นี่ดีแะครับโอ้โหกรวานเลยจบแย่เลยใครับไม่ก็ว่านใช่ผมตีหนึ่งจะได้หายลวกไปได้เฉยเลยลวกไปอ้าวนี่มาปีเก้าแล้วปีเก้าเลยครับอ้าวเอาแค่นี้แล้วก่นนะฝากครับทุกคนก็จะกลับบ้านผมก็เป็นหัวอ้าวอาล่าขาเลยโอ้โหงอกแน่นแย่เต็มท่อเดินจะไปแถวเลยครับเมื่อครับ เป็นเรื่ง อ, องนายกล้องก่อนี้ลงมาวิ่เราส่างไปครังนั่งพบเหยื่อพระเจ้านายเร่องอ๋อผมเทียนี้ดีเจ้านายเรียก่อยไม่ลงกดมาจากไหนเยอะแยะครับน่าจะามาจากประเทศไทย <laughs> เรียนถามหลวงพ่อว่าทาไมแม่จึงทำอย่างนั้นและจะไปนิพพานได้จริงๆหรือจะฝันใช่มฝันช่ไหมฝัเรื่องฝันเรื่องฝันนีต้องแปลตรงเดนข้ามนะฝันนั่นแสดงว่าแม่มีความบู้ในพรเจ้าจริงฝัารมณ์ท่านจะเปพระนิพพานแพ้ไอ้ฝันเนี่ยถ้าฝันมาได้เงินก็ต้องเตรียมจ่ายสางค์ถ้าฝันมาเสียสตางคเตรียมนับเงินนี่คือตรงท่านจริง การสัเกตมาตั้งแต่ตอนเดากนะการบรรณาธิการสยามคอนดักนั้นสักจรงจริงรับว่าโอ้ฝันไม่ได้ก็เตรีเตรียมปแต่ว่าเว้นไว้แต่ว่าผ้าเจริญประานป่าผ้าจิตเป็นอุปจาระสมาธิอุเือนอริยได้แม่โอผ้าฝันต้องตรงใันข้ามป่าป่าก็แสดงว่าแม่นั้นมีความแม่นคงในตัวแต่นายคนจริงท่านผ่านแ่ ท่านมีการสรงขนั่งวิปัสนากรรมฐานอารมณ์พอสบายปรากฏว่าเห็นภาพตัวเองไปอยู่บนฝากหลุมฝังศพซึ่งตายมานานแล้วแต่เขากลับขยื่นเคลื่อนที่ได้ยังอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะนั้นเป็นอารมณ์อะไรเจครคะ ขนาดไหนก็อารมณ์สบายนะสิอารมณ์แรงฮักกินอารมณ์ไหมโอ้ใครเลยก็ไม่ได้นะใครไม่ได้จับต้องต้องมารมตัวเองสิจ้าในขณะความนั้นนะมีการงานเหยียดในสมัยโอ่เะว่ามีความรู้สึกนสมียแปลนิจังนั้นไม่แน่นอนนะ ่าพมีการลังเกียดในศพนะภาพใช้หน้สุพรรมฐาเห็นว่าภาพของศพนี่แน่ๆเป็นวิปัตนาญาณอ๋อันนียวนะลักหลกหักก็ต้องดูตัวเองนะหลกที้หากินทางฝันนี่ทั้งมแน่นอนต่อไปหลงพ่อขอรัก ขระนานี้มารดาแม่ป่วยเป็นอัมพาตเขือยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆมๆๆๆย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แม่าษาไทยนี่ดิ้นได้นะไม่ดิ้นจะทรงตัวเราไม่ดิ้นเองเพราะอะไรครับาขณะนี้กำลังป่วยเป็นโรคอมพาสอยู่เระผมได้ถวายสังรทานที่ทอยสายลมปุทิศตรงต่อเจ้ากรรมในเวรจะทำให้อัมพาสเบาบางจางหายได้หรือไม่ขอรับเออที่นั่นบอก ครับถ้าท่านเรื่องบุญบุสวนเนี่ยราบอ า, า, ามะามะภาคเรื่องโลกลมุลมอ๋อมมามะเราแม่วาสลมแม่ลมเรื่องรามาคเนี่ยทราบครับเป็นลมเรื่ไรอะนีสดนั้นเป็นกดของกรรมประเภทหนึ่งในเมื่อกรรมมันลงโทษแล้วนี่ไอ้บุญจะบัยันกันยากก<อ>็ยันแค่ไอ้บุญยันว่าไม่ลงนรกดิดไฟทราบครับาคในพระังสารนู่สิ ยี่สิบสม่ำนัทานคนีเวนก็หายไปเยอะๆนะอ๋อ่เห็นแทง้คมเล็กนะตรงไหนก็เหมอนอ๋อยิ่หายไ่เยอะแล้วแต่ที่กว่าป่าป่าแบบแบบสมัยใหม่นะใช่ใช่อ๋อแล้วเร็วขึ้นนะป่าป่าแต่เขาไม่ได้เห็นแล้วไม่รู้หุ้นส่วนอะไราใชนัโบต้ไปหาคนดีเาวานต้องแบ่งห้นส่วนฮ่ากระดาษป และผมเคยมาฝึกมโนโมยิทิโดยใช้คำภาวนาว่าณมะภาทะพอภูฝุกบอกให่หยุดคำภาวนาปล่อยจิตให้ว่างใจผมก็ไปจับพุทโธทันทีเลยไม่เห็นอะไรเลยเป็นเพราะเอจไลจึงเป็นอย่างนั้นขอรับเป็นเพราะไม่เห็นจึงไม่ได้ตอบยางไต้เลยนะ อันีสมาธิียกว่าการตั้งใจราบตั่งใจสมาธิโยกใจเน่อ๋อาต้องตั้งใจไว้ท่ภาวนาภาวน า, า, าพระธรรมความหมายมุ่งหมายมประต่างกันลาบลาบไม่ให้เขาต้องต้องมีธรรมนา ห, หลายแล้วอย่างอย่างไรละลาบราบถ้าไม่จำเป็นธรรมนาน็มีอย่างเดียวได้ให้มันมีความจำเป็นแสดงว่าอิจฉาด้เป็นสมาธิจริงไม่ทูบพระจรยสมาธิตัวเมงอ๋อ เองไงทราบครับ <ersch> <mut> คุณคนสม AfD, ่ยครับมีอยู่หลายครั้งกำลังภาวนาพุทโธอยู่ปรากฏว่านิ่งเฉยไปโดยไม่รู้ตัวหลับก็ไม่ใช่ง่วงก็ไม่เชิงอย่างนี้จะแก้อย่างไรดีขอรักก็ใช้เชือกผูกคอเพื่ออนหลัง แม่ํำหนักๆเงาเลยเรื่องขอม่ต้องแก้กันให้แก้ทราบจะไแก้ทาไมไม่จิแล้วเป็นสมาชิดีแล้วไปแก้ทำไมอ๋อไแก้นะอย่างนี้เลยคนโคตัดีอ๋ออย่างนี้เรียกตัวดีเหรอครับใช่ใ่ดีล้าแก้ที่นี้ออกเลยไม้ชั่วก็เลยพอดีลงแล้ลอกไปเลยไงใช่ใ่ดีแล้วแก้ตัว หลวงพ่อวรัต์กระผมฝันไปว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อซึ่งจะพาคนไปนิพพานเป็นทุติย์แต่ปรากฏว่าพอมาถึงกระผมเขาบอกว่าให้รอไว้ก่อนเอาไว้งวดหน้าเองค่อยไปอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ากระผมขาดตกบกหร่องคุณธรรมอะไรจึงไปไม่ได้ในทุกท น, น, แ, น, น, นแล้วไม้เกิาวอ๋อ ตองลาวก่อนฝันเลยลาวลาวเลิกขากินในฝันเอาจมั้ยลาวลาสนุไม่เป็นเรื่องไปเป็นเรื่องนะเอาต่อไปที่ในฝันฝันเก็บฝันเจ็บยังไงผมฝันมาไปตับเลยรอพ่อเจ้าเพราะความเป็นห่วง บ่วงสมบัติพัสถานต่างๆที่มีอยู่จึงอันให้จิตไม่ยอมเป็นสมาธิอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแก้วิธีให้หายก่วงหน่อยเถิเจ้าท่ะอยากมันยากมอมันอยากนเียเอาไปวัดท่าซุงให้หมดเอาไปวัดท่า้เลยเที่เไหร่ไม่ไหวแวะวัดเป็นเรื่องเอาไปใกล้ๆเลยใช่ใช่ ก็ด mm. so like ันไปห่มเไป็น okay. so ้ย so ังไงก็เ so ป็นสมาธิห so ่ว okay. ง so ่าเปล่าไม่ม so ีทางแก้ต so ัวแก้ตัวเองเปล้าคาตาโรคาคาเขาก็จะเจ้าบอกว่าสาคาเขาคอมันหองถ้าเวลาที่ท่านสมาธิประเดียวเดียวไม่อยู่ห่วงไม่ได้โอ้โหเดียวเดียวอยู่ห่วไม่ได้หรือว่าก็ต้องไปเร่งแรงเร้งกางคนยากยมใหม่เปล่าเปล่ามันก็เดียวเดียวคนยุ่ง่ายจะทำได้อ้เปลาเปล่า ไม่ไิ่บายกันไเนี่ยทราาอ่อนอเกินไปโอยี่เรียกอ่อนแอลยครับใช่ใช่โออนนี้เขาหมัดห่วงมากๆเนี่ยคุถวายไวารสชาติรงนั้นก็เก้มคนนีอ้ยยังหักเกินไปไหมเพ็าะเส้นตีนไม่ไหางีราบทราบตอนไปก็ไปยู่ห่วงคุณตั้งชีวิตันางปาเทวิญาัสิรบทาบ ห่วงลูปลูกข้อห่วงซักปลุข้อเท้าห่วงปัญญาปลุมือใช่ไหมทราบราบก็แก้จากข้อเท้าไเรียงว่าจะทิ้งได้ขึ้นเรียงว่าท้าทุ่งขึ้นมาหมดเรื่องเลยสมบายอันนี้เราตั้งใจนิดเดียวนะทราบทราบก็รู้เวลาตัวเองว่าเวลานี้เราทําอะไรทราบนั่งพอเดียวเดียวแล้วซักทุ่มวัดมันจะไปไหนอันนี้เดียวว่าจิตใจมัน มันขันาากทั้งยามากเลยเนอยยงฝึกฝนตัวดวีอันนี้คิดไปหน่อยนะลาบาบครบคืนหนึ่งขณะที่ดิฉันสวนมนต์แล้วก็อาราธนาพรกรรมสารได้สัก5้านาทีปรากฏว่ามีแสงสว่างคล้ายเม็ดฝนเข้าเม็ดเข้าโคตเป็นสีทอง หล่นพุ่งลงมาทุ่งล่างของดิฉันเหมือนกับเปร์ศักบัวอาบน้ำอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเลื่อตาดูจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรแต่รู้สึกผิดสบายมากเรียนถามหลวงพ่อว่าแสงเม็ดข้าโพดนั้นเป็นแสงอะไรเจ้าค่ะก็เป็นแสงข้าวโพดเจ้าสองอ ก, ก็ข้าวโคดเป็นข้าวโพดสิเห็นเอ๊ะก็เป็นข้โคโพดอะอะ ตั <ort>. uh ้งแคนตั้งกินข้าวกินไปกินมาคือแกงคือยิ่งมันตื้อไม่เช็มม่ทางเลยฮะโอ้เออถืแกงนั่นก็ถืว่าทําว่นะโอ้้าก็ทาคำาาของพระเจ้ากราบไปนินแจกท้ารก็ดอกมะลิแก้วล่นลงมาบ้างมันดอกเล็กๆอะไรที่เป็นสีทองสีแดงอะไรก็ไห้ก็ได้โอ้ได้ได้นะครับก็ได้ที่สุดเนี่ยเป็นธรรมะก็ เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นนิมิตว่านาปาลุสิกโอนาปางายตัวนี้นาปาเป็นคนก็นาปาลุสิกก่างเวลานั่งสมาธิอะไรปรากฏว่าไม่ค่อยได้เคยขึ้นสวรรค์สักทีมีแต่ลงนรกอยู่เรื่อยๆเห็นคนทําบาปเห็นคนถูกพรมานและมีอาการต่างๆเป็นอย่างมาก อยากจะเรียงถามหลวงพ่อว่าเป็นเพราะเหตุไรจิตจิ้นดินด่งลงข้างล่างอยู่เสมอเจ้าระก็สมบัติใหญ่ที่นั่นโ อ, โ อ, โ อ, โอ้โหสมบัติใหญ่แล้ว <c oughs> ักบก็ช่างบริจาไปไหนฉันน่ะทำปีแรกได้นะโ อ, โ อ, โอ๋อไปเพร่ได้เืินเที่ยงมาลงปีนโอ้โหไปศึกษาทุกคืนคุณนี่เคยมาไหมโอโอเคยมากี่ครั้ง แต่ระ้รสมัยเป็นมนุษทําอะไรไว้ก็ทบนตัวเองใช่ไหมบ่าบ่อย่างนี้เป็นการสรางตัวเองก็ดีมากอ๋อไม่ไปสงเดชนะบ่าบ่าถ้าไปส่งเดป็นเวลาราวระวั ง, งอ๋อมีชอบขึ้นใดห่ขึ้นมารกาอ <c oughs> อกลาดไปถ ไ, ไปก่อยใช่ไหมอ่าลึกๆถ้าถ้าถ้าไปบ่อยนะผ่าผ่าแล้วบ้างบ้าง่าฟนทั้งเล่ม ผมก็จะไปกับพ่อครับปใส่คืนยุงผมผมฉันนั่งลงคุมเรียกใช่ไม่ถ้าเหลือเริ่แย่คุเนี่ยโอกถ้าตอจริงๆนานนะพ่อผมนีถ้าตอจริงๆนานนะครับไม่รู้ทำไมที่เนี่มาทำปืนปืนมันแพงต่ถไใหม่เขาบอกว่าปีงี้บ่อยเลยหนังยิ้มแมีนี้แหละโอ้โหอันนั้นไม่ไม่เลย แต่เวลาลงประตูนมันมีไมเองไอ้เนี่ยดีเรียกาดเนี่ยเงี่ยดีลงนานดีขอวงพ่ลงมาสะอาดเลยใช่ใช่หลงพ่อเจ้าค่ะมีฉันได้เข้าพระพุทธโลกที่ซอยสายลมไปบูชาองค์หนึ่งแต่บางเอิญฝนเกาะตกเป็นอย่างมากจะทำความสะอาดด้วยวิธีใด จะไม่เกิดบาปเกิดโทษแก่ผู้หญิงเจ้าคะ น, น, นี่เขาทำแบบไหนมางทังนี้สินะป่าปลาปลาก่าาขอนที่จะทำนะปลาปลาเอาทองคำในวัดท่าสุนห้กิโลกรับ <c oughs> โอ้ยไ อ, อของเขามาโทษพระจายกนาคมเฉพาะที่บุตรินัร์นนะ่ะเอขาเฉพาที่สิงห์พ่ทำได้เป็นไรเราะ คปาทำด้วยความไม่ธรรมไม่รามาทังนั้นด้ฟัควเคารพนะาเาหนสบายสบายอยูร่างไรก็ต้องต้องกล่าวอะไรปรลงบรลีอะไรไม่ะไปกล่าวเลย<อ>เดี๋ยวหลางพ่อจะไม่จะพูดถานะความอาไหนน ะ, นนะตัวนายเ้ยเธอตามีเลี้ยงเธี่แห่งมังคีเค <c oughs> ตียกมาจริงแต่ก็ปากแทงนี่เลยนะไม่ต้องมาอะไรหรอก ยกมือไวพระครบรอบนะพ ร, ระรงเลยได้ลได้ <S <S คือว่าถ้ า, าเป็นผู้หญิงนี่ไปถูกต้องพระเขาบอัาบากลัวกรมาเป็นผู้ชาย ไ, ไม่เป็รเพระนี่คือพระสงฆ์ให้จรพุทธรูปเพาะพุทธรูปเราท่านไมีไม่มีความรู้สึกหลังเรื่องพ่ออย่างน่งทั้งแต่เห็นขไม่ไปด้วยเจ้าต้องมีอะไรอยู่แล้วพ่อจริงๆมาอยู่ที่พระเพื่ยุที่ตรงนี้ เอาหญ้าไล่ไ ล, ล่ซ้ำ้าไม่มโคตรแว่พาพระเสีาตายไม่มีใครช่ยยวยใครช่วยใจผู้หญิงเขาไม่มีโทษถ้าพะ ท, ที่เคยกิเลยแต่มีพางเขาหลายคนเวาลานั้นมาแบบไม่ใคร ส, สินินพระม่กินและไรที่ักเพราะท้อดรูทักก็แน่เไปไม่มีโทษจะทได้เลยนะ เออแต่แต่แบางบางคนเป็นผู้หญิงไปถูกพราเนี่ยคิดว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรนี่ต้องเป็นบาปก็นยี่ไหนท้องถึงด้วยบาปเหเ็นเห็นที่ตอนจะขึ้นวัดแส้พรก็จะรอขึ้นในนี้เาไับฉนั้นนันย่ว่าพระถ้ามีจิตกำลัอยู่จกต้องตกลหญิงเป็นบทงาอถ้าไม่มีจิตกำังคนกำงนองข้างไ ไปวัดป่าอะไรเป็นเป็นมุมใช่มเดินมาเดินเาออนคบแนเย็นถึง้วก็รีบปไหนั่นของเข้าคมฟันะแล้มองวลอเออโหไม่ปนไรไม่เป็นไรเครับไม่็แ่นงรสว ไ, ไม่่ต้เ ส, สีเเยเงินมั่งไปแจ ไม่มีเจตนาไม่เป็นไรนะเจตนาเราเฉพาอย่างนี้ต้องมีจิตสำนึกมันจะพบพลาดนะครับครับไม่คุยเรื่องนี้เขาไม่เกี่ยวเขาไม่ญิงแกล้งฟังเรื่องนี้เลยไม่มีอะไรคบหลงพ้อเจ้าพักงานหน้าที่ที่ลูกต้องมาทนั้นต้องมีการทานเล่านน็ดห่น่อยแต่ว่า ข่าวยันกรอกเด็ของบลวงพ่อแล้วมาดึ่มนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างนี้กรอบเพชที่จะอยู่ลึกเข่านะกรอบเพไปทีนิดนหน่อยหน่อยออร่อยเลยทำไจเป็นเลยมันแบบอะไรมคคอะไรคุณเป็นกันผมฉันเห็นรีนายทหารเร่างไรถามหลวงพ่อไปไงแต่ในพันั้ในคนเนี่ยเออเมโดากัน เวลากิไอ่เงียลาบลาบ่ไหเขาผู้ชายนะลาบี่เป็นผู้หญิงมันจำเป็นอัไรเอออะไรจำเป็นนั้นไม่ได่อะไรแข็งเป็นแขงเป็นเป็นสองมไกันก็มีขายเวลาเนี้ยซึ่งไม่มีรสสุราเลยมีรูปรล่งหน้าตาเหมือนกันแต่รสหนึ่งเหมือนกันเวลากินนี่มันใช่แบบนั้นแต่เครื่องาบบนั้นมาดิลาบลาบอรจะได้เขาใช้หวานดรือเป่า เป็นยงไงครับพ่อครับจนเจ้าน้ำหวานเย อ, อร่อยดีก็ต้องหลบไปยางนั้นนะอได้หลบลออะไรไปตั้ง เ, ล, เลยนะคอยรกลางเ ล, เลยครับลองพ่อเจ้าขาก่อนนอนได้ปวดมลไหว้ฟ้ามีบาลีตอนหนึ่งว่าสาระอื่นใดของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที้เึ่งอันประเสริดของมิฉันด้วยปัจจาวาจานี้ขอทายมงค์คยังมีข้าพเจ้าแต่ฟังเอิญไปที่ศาลเจ้าแม่ควยอิมพระโพธิศัตว์ก็ <c oughs> ไปไหวอีกอย่างนี้จะขาดใปสระนาคงไปหรือเปล่าเจ้าคะไม่ขาดเพิ่มพระนาคมขาไม่ขาดนะครไม่ขาดเป็นคณะที่สี่ไง พุทธังาลังอคามสถึงพระเจ้าไปที่ขึ้นสาสาทํารังธําังอคามสเถึงพระธรรมไปที่ขึ้นาแล้วทางังอคามเขาถึงพระสงฆ์ที่ขึ้นคอิ่พังาเิสาินอ่เชาวัวัวามัสิสมาธิทมันอยู่นรูปสิไม่้ไอ้ขาดใช่ไหมโอ้ยก็ก็เปว่าไม่เป็นเพื่อไปอขาดได้เพิ่มมา พวว่าจะเสียสัจจะว่าเออเราจะเอาแค่สามองค์นี่สามเวลาถึงก็พรเจ้าก็แทนพระสงฆ์แล้วทาจะพอดแคนก็กินเทาเพราคุอันนี้ทําไม่ขาดรินนะเพราะท่านเขที่เป็นพระพุทธศาสาใช่มแล้วก็พระพุาสาที่ฉนเองที่นีราเลยหลวงพ่อนักหลวย่งท่านีชาทรงทม ปีชาทรงธรพบกันเกิดขึ้นไปในอะไรพุกนีคือพระศรีอัญปีชาเวลานี้ท่านให้ชื่อท่านว่าปีชาทรงธรรากปากบอแต่ว่าถ้าเป็นพุ้ธเจ้ากินเปีนน้ำมาเพราะสีอัญยะไในใจเนี่อเรากลอดซะก่อนเลย๋อดไม่ไปสร้างเรื่องซะก่อนปากากอไปเรียก่อนนีงไม่ไม่ถูกป้องก็โทรไปรู้รู้โอ้นั่นอะไรทีะอ การยกทรงคุณมีระเนี่ยค่ะโอ้โหที่หลวงพ่อพูดในทางโนโมกุิปิชาสรงพระพันพญาตเองใช่ใช่อ้างวันาวันรงก็มีที่อยู่ข้างบนช่วยได้หรือหรวพ่อครับมันไม่อยากหายข้ามันอยู่ตูงกวานะปากมันเริ่มมาถึงท้าวเหนียวนะ เกี่ยงไม่พอใจระมาช่วยยังได้โอ้โหเป็นความจริงแรงเพราะฉันทั้งหมดทั้งแรงเพราะตัคนนั่งเลแกข้างบนช่วยกันปั่นเรียบลงมาปันง่ายเพราะความไม่คิดแค่ในคํงานังดนิดเดียวลงพ่อเจ้าขาที่บ้านของดิฉันปูกระเบื้องสองห้องได้ไม่ถึงปี ก็ปรากฏว่ามีน้ำมันเยิมตายตามรอยล่องข้ อ, อ่ออยู่เป็นจังอย่างมากอยากจะเรียนถามลงพ่อว่าจะมีวิธีสดอดเพราะห์ออกอะไรถึงจะกลายเป็นสริมงตลนแก่บ้านเจ้าบ้าเห็นหมดเห็หมดมองเลยเดืนที่แล้มาฉัานยังเป็นหนี้เขาสองลาาสะสะ้านเก้าแ็นบาทไปสอดเคราะห์ท่ว่าเขาซ้าสามล้านห เสียสังค์ไม่มีอะไรนะกนะเรื่องตกน้มันมันมีอไหนน้ามันมันมัยังไงก็มีแต่อสต้นันนะน้มันเราฟังหะไมเจ้าพลัองค์จ้ามารแรกเจ้ามีแปกก็บอกว่ามันมีน้ามันเยอากามขอบใกล้หมดเลยสงสัยบ้านนั้นจะมีน้ามันนะ ไปถูงบ้ายังมีน้ำมันสานาดัวยเอ๊ะมีน้ำมันเนี่ยไม่ต้องคิดเขต้องหาให้นะสาสาวนี้ไม่เกี่ยวกัช่วยงานบสาวอาได้เคยบริจาคเสร้างโบสถ์และซื้อที่ดินถวายวัดโดยผู้ทิดเจอจงให้แต่ผู้ตายไปนี้ ท่านผู้ตายจะมีโอกาสได้รับจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ตามไปดูสินะฮะอ่ามัยากหรอกโอ้ที่สมงสุดแล้วนะป่าสาพระนงยิ่งชี้ถ้าทําได้จะพบผลโอ้ยไม่ขอไม่อย่างเลยปาป่าป่ถ้าตอบมันก็ไปแน่นอนได้หรือไม่ได้ยังไม่แน่นอนป่าปสาต้องการให้ประโยชนเอง อย่างในเรือ่ <hi> hey. องนี้ไทยยายแกยายแกตายอ๋อที่ายายเปลนยายเดืนเปลี่นมาที่บ้านสบายหลังตอนนี้อะไรกันสุดๆก็จะไปเคอที่สองที่จะเจรยายแกอ๋อที่สามนั่งคกันก่ปากต้าไม่ดีก่านอ๋อ่ชาความรู้มีให้ง่ายที่สุดนะพยายามทำให้ได้หมดสงสัยเพื่อความแน่ใจครับ ขอตกลงใ่้ใช้คิดพาก่ได้แล้วสร้างไปด้วโอ้แบน้ลงข้อขอรับลูกหมอราก้่อข้องใจนิดหน่อยคือว่าได้เท่าสัมทานที่เวียนไปมาอยู่นี่มาหวหลวงพ่อแต่ บางคนก็อธิษฐานขอให้เคราะห์ต่างๆจงลงไปปรากฏในฝังสษานนี้ด้วยในเพื่อผมเข้าฝังสถานมาแล้วจากอุทิศให้แก่ผู้ตายของผมผู้ตายแกจะมีเคราะห์ตอบในวิญญาณนี่ล้วอยากเสายใจมิได้นี่ก็ลองไม่ได้เออเขาได้แต่ดิศหายทิมันโดดผู้อยู่ในสังุถานไม่ได้ และก็รัารพักเป็นผู้รักนี้ได้เห็จได้รู้ป่วยเลยทีมันี่ีเราสองขี่เนะโค้งงานคนมาพูดเรียกนะไปนะครับแต่ถ้าดูดมจะแ่่าเล่าจะลงที่ใช่วงี้แลวน่าพักไปแล้โอ้แล้วปกติก็เลยป่วยเป็นที่เลยแก่แก่แก ก็อ่านเองอ่าเป็นนัว่าไม่สิ่งใดนั้นนะครับหรือว่าผู้ตายเนี่ยเขาจะไม่มีครับเขาเคยจดคุ้มธัรมของเขามีงราบครับใครสร้างให้ไม่ได้อย่างนักเสกคนตายไปแล้วค่าปลาค่าช้างค่าหมูค่าไฟยกบาร์ไปตัวนักเสกคนตายนก็นี่ได้ครับเราจะรับจากมครับคนที่ตายเนี่ยาจะรักเฉพาะความดีและความด้วที่เขาทาไปแล้ว ถ้าก็เออนุพลสนี่ส่งไปแต่เขาเมี่อกไปเขาจะหมดทุนงาน อ, ปปปอย่างเราทำุนที่บ้านเนี่ยตอนเริ่มสตาร์ทแบบุญแม่โผลกระโดดไปบ้านพัหนึ่งทีนี้เร <c oughs> าเชื่อใจเชื่อฝ่ายยันทีจะเป็นยมโนานลโอ้เพระาะปาก็เปิดฝานนั่งสมาธิอจิตเพิ ปรากฏว่าจิตหลุดรอยออกไปทางศีรษะนึกจะไปทางไหนก็เร็วพันใจนึกแต่พอจะเข้าร่างเดิมทีไหลที่หลักที่ เ, ลเหลือเบื่อหน่ายทุกทียังมีความข้องใจว่าถ้าเกิดจิตไม่เข้าร่างอย่างนี้ตายไปจะมีโอกาสไปนิพพานได้หรือเปล่าท่านไปข้ า, างหลังพทะวุณใชะ ใจข้างล่างคุณจะเหม็นชี่มากกว่าโอ้โอ้โอ้ข้างล่างดีอะไรอะไรอยู่น่ารู้ที่สุดแท้ตัวนี่เหม็นชี่ตัวเองกว่ากันโอ้ที่ถามตาวามเะจริเลยนะไม่กล้าข้างล่างแล้วข้างบนนี้ไม่ตายหรอกถ้าไปได้อย่างนั้นนะบาปไล่างใจมันตายจริง Oh. ถ้าแกพายได้าการกาลังทุ่มบุญ<า>อย่าลืมว่าการออกไว้นั้นมันเป็นการใช่ไหม oh. กำลังวาชาในอยู่ถ้าเราพอใจที่ผมก็อยู่ผมแน่<า>แล้วก็ถ้าเรานะ้ารพอใจสวรรค์เท่านันอย่างนีเรื่องได้การรับใจกำลังเราสูงกว่า oh. แต่ว่าถ้าก่อนนี้กิน่อดยาก็ได้เราใช้วิบากุณายานความนิพพานใช่ไหมถ้ <c oughs> าเวลานั้นมีเดชไก่อใจมันเป็นนิพพางเลย แต่มันจะไม่มีสิเขาต้องตายในแบบไแล้วไม่กลับวันไหนสร้างใจไฟไม่สลับ ไ, ไปว ไ, ไปไม่ได้แต่บัเอิาาอไได้ก็ถูไล่กับทันทีว่างกนีตัวอย่างไปเยอแล้ว อ, อ, ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวตายนะไม่ตายไม่ต้องกลัวตายแน่โอเค อะไรอ่ อ, อในใจล่างอะไรยิงยอองออนนูไทยอ่อนใจล่างมันจะได้เข้าล่าตอนอ่อนแล้มันนีที่ทใสเข้ามาที่มา่มันคือใจเข้าล่างนะนอ๋ออีกอีกต่างี่เคุได้ได้โอไม่ได้เเจกผมตอนนี้เหมือนจิงจริงบที่ผูไม่ได้เเจกเลาไปครับครับ นราประจัญไม่เป็นไรนะอากจคได้แสดงถ้าจะพูดตามส่วนนะปากปากลังใจก็มีใจทีจะตามมันติกกังดีมากอ๋อถ้าคีหลังอีกเดยหยว่าถ้าเรื่องเบื่อน่างใจใช่ไหมปากร่างกายนี้มันไม่ดีมั น, มนเหมือนร่างกายที่เราออกไปเอกองกองไ่ได้ไหอกะท่อมหลังนี่มาเต็มมีความสงบสง บ, สบมีความเบื่อหน่ายอันนี้ดีอ๋อต้องถือว่าดีมาก เมท่านผู้หนึ่งเวลาเขามาบอกคนเรีอะไรชอบทำหน้าเมินหนีไม่ก็ทำหน้างอเข้าใส่แต่นี้จะแก้ไขอย่างไรตายแล้วจะเป็นสน <c oughs> ไหนเจ้าคะตายแล้วคุณสีคนุณ<อ>ต้องไปเป็นกาแล้วจะเป็นสีหนึ่เดี๋ยวก่อนต้องดูก่อนเข้ามาขอเพื่ออะไร อ๋อกำลังใจที่จะดูเ่มเตก็อาจจะมีะเา่าถ้ามาเรืงอะไรเขาเกิดไม่ไว้วางใจอ๋อเห็นไหมฝากฝาเพราะว่าเวลานี้นักบอกกลมมันมากเกินไปอ๋อจะแก้โทษเขาไม่ได้นะฝากฝากเพราะว่แทวจานี้นับอป็ลยังมาเกินไปอ๋อจะแกโทษเราไม่ได้นะฝากฝากเพางวีาเวาน้นอกเลมมากเกนยปอ๋จะแก้ขาไม่ได้ะฝกฝากเาวาลานี้นักบอกกลมมกเคยไปอ๋อทษาไม่ไปฟั แต่กำลังใจเขาไปบวชสมอย่าลืมอย่างคนที่ตั่งภาวนาพี่ชายเขาอาจจะเป็นพระอรหันต์ได้ที่ทุ่ออทต้องไปวัดนะอยู่บ้านหรอครับอยู่บ้านอะไรเยอะแยะไป เ, อเยอะไปตัวอย่างน้นก็สูตรนะคือว่าต้องดูที่จำลังใจเขาอย่าไปดูอาการภายนอกมนะารู้ไม่ได้<า>อย่างนี้ทางดีแล้วต้องใช้เจโรด้วยญยียหาไม่ขอทางและแยกโยมนหน่อยนะ ว่าต้องใช้เจตุรยานไม่งั้นถ้าถามตรงมุกเสกจังจะรู้ครับโอ้ตาไม่ได้เลยตามมีหลายคนโอ้มัดเลยไปไปพอตายแล้วคงไปบอกคุณพ่อรืคุณตาตามบทีทั้งไม่อดตำบลเรห็นภาพเป็นแบบนด้นเลยฟอแต่งเสริอยู่แล้วอไปถามท่านทอ้งหมกทงานความคิดทางเรื่องจิตใจท่านได้ีจากปาจิตเป็นมากุกนเไม่อากไม่เข้างไม่ได้ปาปา พ่อพอดีเวลาหมดต้องมีเรื่องที่จะมาเรียนให้ทราบนิดนึงว่าวันอาทิตย์ที่20มกราคมหลวงพ่อจะเลิกวางกีลาที่วัดอะไรวัดเขาสแ ก, กนนั่นก็น ะ, ะสังกัดที่มือหน่อยมือยอดเขาสแกนก็มาจับพ่อเอ่อทางซอยสายลมก็ได้จัดรถนะฮะ แต่ว่ารถจะออกวันที่19มกรางคมคือวันเสาร์แล้วก็จะกลับวันอาทิตย์ที่26หลังจากวางพิลาเลริรเสร็จแล้วน ะ, ะท่านผู้ใดที่จะไปร่วมวางพีลาเลอร์กับหลงพ่อทีอวัดเขาตะแทรัทงก็ขอได้โปรดติดต่อที่วางพิลาเลอร์ ลาเริ <that> ่มล้วเดียวเริ่มเดี๋ยวไปแล้วมนเรเลยวามตดมันเริลยใช่ครเองนนี้เนี่ลาฝากอจะให้เจ้าคุณไทโรวีเจ้าคุณทวัาดูด้วว่านความเิียงคนี้เป็นทาดี ภาพราพราบหลับตาภาวนาเสมอในพรรษาไม่เคยหยุดใครเนอ่ยพรรษาอายุไป86แล้วดีโอแล้วสลาหลังนี้ที่ฉันไปไปงานปีประจำปีที่ต้องทาอะไรข้างอกหลังใช่ไหมภาพถ้าไปเราไปออกภูนเหล็กสมุดหกวอสร้างสมุดไทยเพราอว่าไปเห็นรักครังที่หนึ่งครับรักครังเหรอครับแต่ครั้งนี้เจอว่ารอห้าสั่งไว้ลกนึ ขนาดเข้าไปนอนได้ลูกนิดเดียวมันอากรน <tekrar. S 3> ั nice ่นเหรอนิดไอ้ความเล็กมันนิดเดียวควายาวมันมากัอาจารย์เลวเนี่นะาๆเป็นระคังสมัยร5้สายานไเป็นรายการที่สองีว่าแสงแตก็ระิ่วว่ะเขาถึงเรงนนว่าถึงแข่งือกันหมูไากๆล้คนละรนุน เป็นการหนึ่งแก้วน้ำดำบนตรงนั้นก็ดีมากให้ได้ช่วยเหลือแล้วดีสมาชิกมีความวุ่นบายใช่ไหมฝาบฝาบแล้วต่อมาท่านมาช่วยทีวัดสิงห์นั่นแต่คอกับคนอื่นท่านจะพร้อมในเวลานี้คนอื่นก็ตํอง ม, มาลองมาแสดงโอ้ฝาบฝาบถืว่าดีพอสมควรนะฝาบเพราะเป็นนั้นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันลูกหลานคนใปราถนาจะไปร่วมการกุศลอันนี้ รอติดต่อจองฝัทที่เคาน์เตอร์นะไปวันเสาร์ที่19บเก้าเ้าโมงเช้าพักฟื้วัดระภูมงแล้วก็กลับวันที่ยี่สิบแล้วลูกพ่อครับเรื่องวันที่เจ็ดียังไงแม่ลูกพ่อแ่อะไรลูกพ่ออาจจะสันฟังอะไรพองรดก่อนดีก่อนเอก่อนเขาตัววงหมดนี่ตอนบ่ายเออคนอะไรอ่ะคนน้ะ เจหน้าทก็เืบังว่ครับานที่พูรณ์บรณ์ฉอกขอเลื่อนไปเป็นตอนบ่ายหมายความว่าตอนเช้าตั้งแต่เช้ายันบ่ายโมงครึฉันไม่รับแขกไทยเท็กมารับอพอบ่ายมงึก็ขอลาผูกเขาเช่วง แล้วก็อาจจะกลับมาประมาณหกโมแล้วหกโมงกว่าสามมาก็เลยดีใจขอแล้วดีใจเลยครับอยากกินข้าวอย่าวังมันไม่คยกินมาสิตองให้เลยพ่อมันมั่มมันเหมือนมะเร็งไม่ถนัดไม่ถนัดเราก็วางเพชรวางธรรมดาธรรมดาไมสมสัก์สีกินไม่ได้หมอผมหมอก็ไม่ทันว่าวันที่เจ็ดต้งพ่อพ่ ยังอยู่แต่เลยชาเพิใหม่เอาขึ้นเอาอาารที่กอดไสลงเนะไม่ไม่แค่ใตัวเฮ้ยก็ไม่ได้เลยกินแค่ฝักซอยมาจะกินวานม่กินฝักก็ไม่ได้บอกคุณอะไรรวังเอาอีกเอาเอาทีากลัวอะไรกันน เป็นข่าวประกาศนะแล้วลังขาเขอเขาหยิบข่ขาวดีพิเศษนี่คือว่าที่วัดพระมงจ่ากหล่อพานรูรัชกาลที่หนึ่งแบบเดือดร้อนมากข่าวว่าคนุณไปอยู่ที่ยินยินที่รูปกลางตาต่างกันเหยใครตามไม่ถึงเจอท่านบอกว่าให้ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจะบุคคลใดมาตามนะล่าม อาจเสดยงเหผู้กลางปังแต่จะไม่น่ะแล้วประการที่สองจะบอกว่าคนที่บอกไปบพาดเมื่อี้เนี่ยบาดบาดเคยไปเตีไก่ไว้เี๋ยถ้มันเดินไม่ได้บาดบาดตอนนี้นะแต่ท่านมันจะบอกถอนขอนไม่ได้แล้วนะสากต้องรักษาแล้วก็พอดีถ้าแม่กับท่านย่ามาเพราะว่าไม่ต้องมีตกังวลบาดขาดาที่ให้ไว้ทาเป็นปกติ ไอ้คำว่าจะมีผลไม่สบายววาเงินจะวิ่งมาม า, มาเสื่อเป็นกองใหญ่ตรงโต น, นะกลากลามายความล่าจะไม่หนักใจเท่าคนอื่นเขาแล้วก็พอบค้นเศรจะตายของประเทศน้ำมันมันจะไหล่ว้ามาถึงนีตายโอ้โหนี่เป็นยาบอกเลยน้ำมันไหล่ว้ามาตายตรงเนี่ย มันไห้ลออยู่ชัเลร้อดดไปชัเลย้ำมันจะก็น้มันจะกมันตายไมหมดตอนนี้เขาเครียกรจัดจัดเครื่อไม่เท่าเขาพยายามทาเลยนะอาจจะสดไปนิดหน่อยแห้งไป่อางในจะไม่นักจะไม่รู้สึกตัวมากเลยเจ้าท่านมาพอจริงเจ้าท่เมื่อกี้มามาแล้วสามองค์ลงมาก่อน เป็นไรมันจะบอกอะไรก็ถึงบอกไอ้คนที่วัดไปมาพลาดเลยนะขาดตีไก่จะเดินไม่ได้ไก่สีขาวคร่ะหลวงพ่อเขาจะแก้ไขได้สีไก่ตรีท่านรู้มาได้อันนี้ถ้านไมบอกแก้ท่านอกโทษเก่าโทษเก่าคือต้องคือว่าถ้าเป็นแล้วท่ไม่แก้ไม่ได้จะรักษาได้แล้วใช่ไหมลาบการมระลักนี่กรรมและตัดกรรมมันต้องตัดหน้ากันไม่ใช่มาทำมันมันทขลงโทษแล้วอ ถ้แม่ผู้ร้องโทษแล้วก็เป็นรื่การรักษาไปงั้นถ้าก็เลยบ่อยทีบอกว่าความแห้งแรงว่าจิตใจคนอาจจะมีขึ้นแต่พวกนี้จะไม่เป็นไรนะจะไม่เท่าเขาตรงนี้ถ้าบอกเรื่องแล้วกันเพราะว่าถ้าจะซุดลงไปถึงห้าอร์เซ็นต์ตรงนี้เรื่องเล็กนนั้ใช่ถ้าซุดลงนิดหน่อยนะไม่เท่าเขาแล้วถ้าใหญ่ก็จะเสียก็มา ก็ให้แรงทุกคนทำไว้เว่าสามเดือนจะเห็นผลเนี่ยไม่ใช่เงินจะไหลมาลครองตรงคือไม่ยอมให้สุกเท่าเขาอยากระคองไว้ให้ทรงตัวดีอยู่แล้วต่อไปไม่จะตาร่ของภาพผ่านไปนาา้ำมันจะไหลท้าก้มมันตายก็ขอแต่แม่ทหมอย่าเดียวเ้ยแม่แม่สีกด้ย๋อไม่ให้เจริญเลยทีทอนนะพูด <c oughs> เดียเวลาจะแม่ถายรูปเดี๋ยวนี้เปล่าอ่าอ๋ออ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่ถ่ายรูปรูปของแม่เลยอ้าวพอดีเป็นคนจังหวัดเดียวกันเมื่อวานเมื่อวานจังหวัดเดียวกันจากคนในยี่ห้ออสาวจังหวัดเดียวกันปีเดียวกันกพเป็นแม่เราเป็นลูกจริงจิงเลยอ้าวผักปีเดียวกันเสือปูีจริงจริงนะอดีภายรักเขาเียอยู่นั่นอะอากวายรั เออเลยปกแ้าเชียอะไรไรเขาบอกว่าบุคคลสำคั์ที่ยอดเยี่ยมแห่งปีผู้ชายได้แก่อะไรเป็นเลขาอะไรที่ว่าขึ้นรถเมย์ประจทุกวันแต่ไม่ยอมไม่ยอมนั่งรถรเบนซ์บุคคนฝ่ายหญิงก็ได้แก่แม่สม้อยแม่ดียน่อหมือนรู้สึกว่าเขาะใช้สียงนะนารักใส่ชุดเปที่พื้นแต่ดีจะเห็นด้วยนะ เั้ น, นี้หุ้นใหญ่เจอโจทย์แล้วเลยใช่แล้วใครูุ้นยัไกตามถึงชั้นหมดรู้ศึลละทุกรายการเลยที่นั่งทังนั้นเลยแล้วก็ดาวทรงเดชแล้วมันเป็นชนคนจริงเลยเป็นอะไรมไอ้พัฒน์จสร้างในนั้าวุ้ยใหเปเงินสันี้ก็ได้ครับทุกคนรับหอดแต่ที่น no. 네ั่ที่เ่าไม่มีสมาชิกไม่มีเลย คนที่น้านหนักใจล้วสองคนปากพายของมเพราะว่าจำนำทั้งที่ทั้งบ้านเสียท่าทางกระหนูไม่มีที่อยู่เลยอสองล้ายสิบล้านกว่าโอ้โหสิบล้านกว่าแล้วถามไปไงไอหนูดับเพระเาพระที่ลูกถ้าเรมาแต่้พ่อสิบเปอร์เซ็นไ อาพระจีกอนอย่าให้นะให้คืนไม่ได้ทุ่มแรงทระธาตุไทยตกไปพระเจ้าปลับโปรดขอรักจะได้มีคืนเลยไมใช่ไม่ใสองวักนักโก้ยเพราะว่าเขาเป็นสาไมิสัยดีนี่นาอพระที่ทลายสตารทุกคนพระเจ้าถิดว่าเป็นเดร์สีลำหนักใจหนักมากถ้าเรักองพ่อรักก็ไม่อยาคืนอยากให้คืนให้เลย โอ้ไปงั่นเป็นท่านไม่ใช่หรอกอยาขับไปนานแล้วเนี่ยคนที่มีความสะดับยูรูปฟ๋นเสื่อสามจริงๆทั้งเนี่ยทั้งหน้าแล้ก็ถือกติกาถือกติกาที่สุกแปรผูกขอไม่มีการให้ขออย่างเดียวขาดแต่คนนี้ชายยกใส่กุ้าให้ชายการกุ้ให้แล้วคนนี้ต้องให้ใครถ้ไม้ให้ถือระดับยูรูป แม่อาวุธอาวุาลีเลยนะนครนี่ไม่ต้องหลับนี่เกาชั้นเรม่องเมาจี๊ดล่อนเลยก่อนพูดอธิบายไปอะไรแค่บทไหนเลยโอ้โนี่แรงจะมามาคโอ้ถ้าอย่าไปเราจะยกปยไปทั้งหมดนี่ได้นะขาดวมวทองกรอ ถ้าคําว่าเต็มกำลังไหม่มายถึงอะไรครับฝึกตามแบบนึงไปอีกแบบนึงเราที่เวลาฝุดเวลานี่สุดแค่ขึ้นกําลังถ้าเต็มกําลังฝึกมาสิบปีนึ่งใครรับได้เต็มกาลังจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าออกไปตามความรู้สึกที่ออกนั่นเลยเนี่ยออกไปแล้วก็สว่างคล้ายกับผ้าพิษเวลาเที่ยงโคุยกับเทวดาแล้วคงจะเห็นแล้แจ๋วแบบเนี่ย ไม่เช่ได้ฟรีนะตาปากแล้วก็การสอนก็ต้องแยกเป็นสองส่วนหนึ่งคนหลับลงบรรทุ่านบนยนะตาบปาเออคุณหญิงเยามานท่านตายไปแล้วท่านรู้ก่อนฉันโอน ง, งานเผาศพเขามีเขาทั้งบนวยแสนหนึ่งต่อยมาจะใช่เลยใช่ไหมามามาขอเข้าครัวรัาเข้าเข้าคตัวคุณหญิงเามานเลยเชิขอเข้าชันบนด้วยเปรานนั้นเังไม่รู้ชท่านบนจะทำอะไรโอ แม่ว่าต้องมีพระประธานสององค์ต้องฝึกรุ่นแรกอยู่ตอนหนึ่งให้รุ่นที่ได้แ้วตอนหนทีงเกี่ยวจ้าหน้าดูมันจะหวงเจ๊กัน ด, ดีดีครับไปสมมตเอาลง3 า, า, างในฝ่ายกลางไปสมมติฝ่ายพลางไหวมือล่อบื้น <c oughs> ทพี่แค่เพิ่งฝึกไม่ได้ครับอ๋อแล้วลอ่อเจมาตรา หนูขนา น, นมากที่หลักที่เหลือหน้าตั ว, ตวไม่ใช่หลักเรืร่องคืโม่สิแล้วก็ไเข้าไปนั่งสอนวิธีปฏิบัติในท่านครูควบคุมแบบนี้ในแบบนี้แล้ว่ิวกาลังใจอ่อนแล้วช่วงเข้าไปคุมกันใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านแนะนำบอกสอนแบบนี้ไม่ได้คุณแบบเก่าเนี่ยแต่แบบกำลังโตจะบอกคนเวลานี้สัญญาและปัญญาซามลงคุณสอนแบบนี้ไม่ได้เหมือนเราสอนเด็กทีอุ้มช้างกับน้ํา ต้องใช้ข้อสอนทั้งตัวนี่มันจะมีลาหลังที่ยัไม่เคยรู้เรื่องมาเลยโอ้ในลาเก่ามีว่าให้นั่งภาวนาเอาสมถะธาตุปลูกตาไว้ข้ามีกระดาษปลูกให้นะแล้วก็นั่งภาวนาไปคนได้ไม่เต็มจุกปอบจุกปอบปุดปอบมันคงเต็มไม่เต็มจะต้องสังเกตแสงสว่างแสงสว่างพุ่งออกจากกายและแสงสว่างพุ่งลงมาจากองค ให in ้ธุรก like ิตมันจะไปตามแสงมันจะพุ่ไปเลยไม่ตั้งใจเป็นไงก็ไปครับแต่ถ้าชัดเจนมากมไม่เงาไม่ไม่เป็นเงาเรานะเอาสุดแล้วแต่กําลังทุกคนถ้าคนฝุกได้ดีได้ดีเนี่ยมันไม่กี่วันจริจริงๆแค่สองสามคราวนะมันจะชัดเจนมากใช่ไหมแล้วเรื่องต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยข้างหน้าจะเป็นยังไงเป็นเรื่องเลย ยางตั้งใจนึกจำสายมากรู้เร็วรับรู้เร็มากจำสายชัดเจนมากค้าขาอยาอย่างนี้จะรวยก็ไม่รู้ทาอะไรดีก็ไม่ดีอะไอย่ า, างนี้นโอโอะว่าอย่างขายย <s> กทรงหรือยาดีห่อนไหนข<ต><อ>นาดไหมทำอะไรขายผงหรลอผงใหญ่<อ> <c oughs> รู้หมดรู้หมดอะไรต้องประดุจแจ้งนี่เรื่องจริงๆนะทราบครับเรื่ทุกอย่างชัดชัดเจนหมด คือมันไม่ใช่ไปเงามันก็เหมือนกับตัวเราเดินไปเลยและการแบ่งตัวก็ชัดอย่งางพระวรที่เขาบอกว่ากําลังให้สินอยู่ใช่ไหมบ้าบ้าบอกว่าที่เญาตากับทาแม่ ส, สีเราจะทำภายในเนี <S S ่ยนอกจากเรือเขายังมีกิจการภายนอกคือไปตั้งโรงงานภายนอกออ น, นอกประเทศสำสร็จเทอมมาเราไปดูไปไหมให้สินเราจะไปดูเลยรอนเนี่ยถ้าตั้งตรงนี้โรงอาคารรูปล่างเป็นอย่างนี้ กิจการตะ ก, กีประเทศในบ้างมหาสารแล้วท่านึ็บอกว่าไอ้ตะวันออกกลางนั้นมันจะแห้งแล้วตอมปลาไทยนานดะอ้เนี่ยการแบ่งมันใช้ได้เคร่มากดีมากไทยก็คุยกับเราพันคนเข้เร่ากิจกันเราอยากจะดูจุดพันแห่งถ้าได้ปากใช้ก็เล่า อ, อยู่มันก็ปแบบแ ไ, ไ, ไทยแถวเลยออพอฉันเสร็ จะของบ้านกถางคะพ่อจะพักครณอาตรวจดูด้วยบ้านนี้คือยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างจะดีไหมนางครับพอพักใส่พักก็แม้เพื่อนรอเสือจมองโกรนก็เหีือยตื่ง แม่ดีจริงๆอยู่เม่คนนี้ทีมากงานของคือคนลงเข้าผาี้นข้อกันมาดีทนาดนั้นเลยไม่แค่หลับจร Bref, ิงๆใช่ไหมหลับอย่างแท้เลยหลับไม่ใช่อย่างเรียมอย่างแท้เลยออกมาแล้วพับเป็นไงบอกพวกถึงดำเข้าผานี่กรอบหมอกคลืนนีะไม่หลับหมอกคลื่นเล ก็เดีย๋ยวหาแล้วนี่ก็รู้กัได้ <c oughs> เออท ำ, ท, ำทำไมบังเคิดตจอเลยในสองครั้งนี่นอน ไ, ไม่ลงเลยนะวะอืมไม่กันจะกัอคุ้มแต่คืนนี้มั น, น, นมเป็นเรื่องเลยแ่คืนนีเจ้านายเรียกสองครั้งก่อนจะลงมาเจ้านายเรียกะ ก็ลงมาะจะเรื่องสอนกรรมฐานก็นานนี่ไม่ผิดกินยากินยาไม่คิดจะติดกัานานั้นคิดว่าจะฉันยาลมไปัดจะถ่ายพวกนี้เปตายที่เไแล้วทิ่อเอาไปเลยครับนี่ยังเดีวๆนะกลังอธิบาชวเนะลย เป็นสามดวยาพรายเป็นถวายที char, ่คันสองคันแล้วสามคันรูเทราเสด็สไปสพกต้องเผาอย่างยังช้าที่สุดต้องเลิกบ่ายสามโมงคงไมพะยมาติกาไปสกุกันทิ่พ้องีเวลาบ่ายสามโมงอ้เจ้าภาพขอเราก็ยึกมาได้รรมะ ท่าไปไหนไมนจะไปทำอะไรเลนตึ้งในถงไม่ใช่มาใดกรนมากแต่มาใดกันมากเไม่ใช่อะไรเลยแล้วก็ยังเป็นหนสารมาเลยเจ้าไฟได้ไฟดีเวลาหังที่ได้จบแล้วมาตายไปไหนหลอกคนงีครับเพเลยไปจะเพศเลยหน่อยผคิดจะแยกเผาในศสดไม่เป็นไรนะเผาตูดอะเออลงไม่ได้ว่าไฟก็ไฟมันก็ไม่มาที แต่เาเอาเอา้าันนั่งอยู่นี่นะใครยันลูกอื่คนนะถ้าลุก อ, อะไรที่จบมาเนี่ยสารนนะ้ำมันม่หนืองขอเราต้องเทศสารน้ำมัดตอนต้นเรียบสแต่ตอนหลังๆมันเรียบไปใคือต้องมีคนราไม่งั้ไม่ต้องทำไม่รู้เรื่องไลังนะว่าไปว่าไปท่านปุ่นหนึ่งกันยังไม่มาให้เลยนคงว่าจะจะเี่ยงขึ้น มาไม่ใช่แค่กลางที้ไรพร ะ, ะเทพแล้วเขาแล้วเขาแค่เข้าชุดแตนมันมันแค่จะไม่เรียาานคะถามอะไรจะมาเรียมรน ม, มามารูเรื่ององไรไหมถ้าตอบไม่เสร็จเขาเป็นไปต่อเรไงถ้าตอบมาได้แต่เขาจะหาตั้งเขาตั้งแก็ไปไหว้เชิดโบสถเราแต่หาคนลุกสิกคนก็ไม่ได้แน้จริงคนเจ็ดสิบลาไม่เคยล้กศิษย์ ขอบันสุดกเอายอมเช่นยอแพ้เลิ่มเลเองวางว่าพีเท่านั้นนะรู้จี๊ดแลวไม่ไปไหนข้างก็เหงาแต่อันจริงเลยเปนข้าวเั็นยาลาเซ็มเป็นแผลไม่ได้หายใจเลยแหมอสาอันเสียดี่แหละ ประเทศนีเอาลงเข้าชุดกาเนิลีเกนี่ล่อหน้าตัวแดงหลายรุ่นหลาองค์แหละเจ๊คนมาดูเทศหมดไปดูลีเกนนัใส่ราวสัมบาติเทศนี่ก็ทำให้ฟครให้คนโง่ในคนเพียงแม้แต่ใช้เท่าทำยาเงี้ยเกาเล่นกันเงี้ยแต่ไมันอนยากนี่ไม่เรื่องของมันดาถ้าเทศเอาลงแค่ราละมั่งวดเนี่คนก็หาไม่ไหวนะทุกตัว พอมันมีกติกาต้องคนวิ่เรามีจังหวะราะไม่งห้งหลักแต่ตเขาเราะซึงก็เข้าเรื่องต่อไปใช่ไหมลอยไปเลยไปวันนี้สองขันทาวัฒน์สะพานสูงอีกต่อจะบางเที่ยงกล่เราเหมือนกันไฟฟ้าเกีดไปไม่ให้เหลิกชาร์จมาดีธรรมะมาใหญ่เขารู้เลยจชัดเจ็บแล้วไม่เอา อเทเกพได้เวลาไม่ฟังเสเอวสองคราวไม่หนีแน่แล้วคิดอะไคนฟังเทเสมคงไม่ได้เวลาไม่นานออีกคราวไปเทศหพเรื่องพันยัที่เราันดาลองปสราวัดะว่าวัดว่าแต่วัดที่ได้คนหลังมอนกันี่หนึ่เหมือนกันแต่ร้านวัดแรกกงคืน ดีเจเขาเล่นตอแสดงกัางคืนพอดีฝนตกนเขาว่าตอแสดงกลาวันเขามันบอกว่าคุณไม่ใช้เลรองใหญ่ได้ไหมเราไม่ได้ก็เลยใช้เ่องใหญ่ตอนนี้เช่ว่าเขา เ, เขายัดเสียงเครื่องเล้วเล่นไปแพรมา บ, บทเสร็จเข้าเรื่องเพลสองคนมาหมดแล้วแต่นี่พลาดบอกดีเจมุกมึงจะเล่นก็เล่นแต่ไม่ดูภาพเท่นกว่าเรี้อย like this.